แต่พระคุณเจ้าคำพูดของท่านช่วยบรรเทาความทุกโศกของทีฉันได้มากทีเดียวเป็นพระคุณอย่างล้นเหลือที่ช่วยให้แสงทว่างแก่อิฉันแต่ทสำหรักบุตรนั้นดิฉันรักเขาเลือกินเมื่อเขาตายจากไปจึงสุดวิสัยที่จะหักห้ามความโศกไว้ได้ดูก่อนอุบาสิกาพระพุทธเจ้าตรัสว่า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 เพาลมโหมพัดพามาจากทิศทั้งสี่ดูก่อนอุบาสิกาธรรมดาคนเราเมื่อรักกันย่อมปรารถนาดีต่อกันเมื่อทางกันย่อมมุ่งร้ายต่อกันนารักบุตรของนางปรารถนาดีต่อบุตรของนางไม่ใช่หรือโธ่กราบพระคุณเจ้าไอ้ท่านรักเขายิ่งกว่าตัวเองเสียอีกทามือวิธีใดที่จะทําให้เขามือความถูกได้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 ผู้สมควรแก่นางปฏิฆาหกคือผู้รับทานหรือตั้งใจรักษาศีลในวันอุโบสถหรือกระทาคุณงามความดีอื่นๆแต่ตั้งใจแผ่ส่วนกุศลไปให้บุตรของนางเขาก็จะได้รับและมีความสุขสมปรารถนาของนางข่าแต่ท่านผู้เจริญอิทธินยังไม่เข้าใจคําพูดของท่านเลยค่ะนางไม่เข้าใจอะไรล่ะ บุตรของดิชันน่ะสิคะเขาตายไปแล้วแต่เวลาเน่ไม่ทราบว่าเขาไปอยู่ที่ไหนจริงๆนะคะ่ะเวาราเน่บุตรของดิชันไปรยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบคะ่ะนางอาจจะไม่ทราบ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 เอาะอีฉันขอถามค่ะต้องการถามอะไรละ่ะถ้าสมมุติว่าอิฉันต้องการจะส่งอาหารไปให้บุตรดิฉันควรจะทํำยังไงคะนางก็ให้อาหารเป็นทานให้อาหารเป็นทานแก่ใครล่ะคะให้เป็นทานแก่ยาจกวันนิพกหรือสมณะพราหมณ์แล้วอุทิศส่วนบุญให้ไปเอออีฉันสงใจค่ะ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 นางจะรู้สึกอย่างไรเป็นสุขหรือทุกข์เป็นสุขเสียพระคุณเจ้าอะไรทำให้นางเป็นสุขการที่บุตรชายของทิชันกลับโตเป็นคนดีนั่นนะคะ่ะดูก่อนอุบาสิกาการกระทำดีหรือชั่วของบุตรชายนางซึ่งอยู่ไกลถึงเมืองตักศสลาสามารถให้สุขและทุกข์แก่นางได้ฉันใดการทำดีหรือชั่วของนางในโลกนี้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 ท่านเป็นผู้ที่ทางแต่ดิท่านผู้กลำลังหลงทางท่านเป็นผู้ถดดิท่านขึ้นมาจากปราบแข่งความโงกและความโศกดิท่านจะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาใหม่ค่ะดีแล้วอาตมาดีใจข่าแต่ท่านผู้จเจริญดิท่านไม่มีสิ่งใดที่จะบูชาคุณของท่าน นอกจากของเล็กน้อยนี้อะไรละ่ะนั่นนางแกะห่อผ้าออกมาทําไมเพื่อจะเอาของมอบให้กับท่านอะไรเหรอเครื่องประดับข่าท่านเครื่องประดับเครื่องประดับดาวนี้มีค่ามากดิฉันเก็บไว้ตั้งใจจะให้บุตรชายแต่เมื่อเขาตายเสียแล้วดิฉันจะขอถวายแก่พระคุณเจ้า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 เกิดแก่นางแล้วจงอุทิศส่วนกุศลนั้นถึงบทของนางเถิดดูก่อนอุบาสิกาเรื่องจากทองจํานวนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับอาตมาเพราะฉะนั้นอาตมาขอให้เป็นทานคืนแกนางและขออุทิศส่วนกุศลนี้ถึงบตรชายของนางด้วยเอาละ่ะอาตมาขอลาก่อน ขอบคุณพระคุณเจ้าอย่างมากที่ช่วยชี่แสงสว่างให้ดิฉัน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 ถัดจากแผ่นหินลงไปเป็นลานดินกว้างพอประมาณที่ลานดินมีกุฏิเล็กๆอีกหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ของอุบาสกคนหนึ่งชาวบ้านจัดไว้ให้คอยปรนนิบัติต่อจากนั้นก็เป็นก้อนหินสูงบ้างต่ำบ้างเรียงรายลดหลั่นกไปคลายบันไดธรรมชาติจนถึงลำธารที่ลำธารมีต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งโค่นล้มลงไปด้วยพายุเมื่อนานมาแล้ว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 มีอุบาศกไก่ป่านกกระทาจักจันเรไรและพึกษชาติอันร่มเย็นแค่นี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วที่ให้ความอบอุ่นแก่อัตมาความจริงแล้วที่นี่สงบสบายน่าอยู่นะท่านขุนเขาลำนาไพรคือบ้านเดิมของมนุษย์แต่กลับมาเห็นบ้านเดิมอีกรู้สึกว่าน่าอยู่มากทีเดียวไไมาไ เอาเลยเอไปเลยเอนไปเลเอาไปเไไม้ขึ้นแล้วไฟไหม้ที่งจะทาหมู่บ้านกัเลี้ยวไฟลุกโถดพวงเดียว ช่วยด้วยเร็วด้วยบ่ายยังก็กอดขาพรเจ้าและบุตรภรรยาจะอดตายซะ ก, ก่อนพระคุณเจ้าต้องรีบช่วยอาตมาจะลงมือช่วยเดี๋ยวนี้เลยทีเดียวออแต่ขอให้อุบาสกสงบจิตใจเ อ, อลืมเรื่องไฟไหม้ไปชั่วคราวก่อนจะให้ลืมได้ยังไงก็ไฟไหม้บานข้าพรเจ้านี่ลูกการช่วยเหรื อ, อ, อสงบใจไว้ก่อนสิอุบาสกจงตั้งใจให้สงบประงับแล้วคอยฟังเรื่องที่อาตมาจะเล่าให้ฟัง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 ข้าเจา่อมีไม่ใช่รงทำหม้อของเจ้าลาบันไปที่ให้ไกลอยไปนะปล่อยตัวเจ้าปล่อยสิปล่อยแอบมาร้องไปไหนเลยนะจคนบ้าืนจะเจ็บวนะไปไลากมันไปมีเรื่องอะไรเหรอยคนนั้นเป็นใครทาไมต้องฉุดกระชากลากตัวมาอย่างนั้นด้วยชายคนนั้นเป็นคนแปลกหน้ามาจากไหนก็ไม่รู้เมื่อคืน เดินมาขออาศัยพักบ้านนายช่างหม่อบอกว่ารุ่งขึ้นจะออกเดินทางต่อไปขออาศัยคืนเดียวเท่านั้นนายช่างหม่อก็อยินดีจัดที่พักให้ด้วยอัธยาศัยไมตรีหาของใช้จําเป็นต่งางๆมาให้พ่อรุ่งขึ้นชายคนนั้นกลับพังเจ็บแสบซะนี่ชายคนนั้นทํำยังไงจึงเรียกว่าเจ็บแสบชายคนนั้นไม่ยอมไปทึกทักเอาว่าโรงทํำม่อและทุกสิ่งทุกอย่างภายในนั้นเป็นสมบัติของตัว ไม่ยอมออกไปจากโรหมอเข้าใจว่าคงเป็นบ้าข้าพเจ้าไมา่บ้า น, นั่นโรหม่ของข้าพเจ้าของทั้งหมดจะเป็นของข้าพเจ้าอืมบ้านแน่แนเลยลากตัวไปทิ้งให้ไกลเร็ว้าจา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 ในไม่ช้าก็ต้องจากไปเรามาสู่โลกนี้ด้วยตัวเปล่าสมบัติชิ้นเดียวก็ไม่มีติดตัวมาทรัพย์สมบัติต่างๆเช่นบ้านเรือนไร่นาผ้าผ่อนเงินทองเราหามาเองทีหลังทั้งสิ้นเมื่อถึงคราวที่เราจะลาโลกนี้ไปแล้วเราต้องทิ้งทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไว้เบื้องหลังจะมีมากน้อยเท่าไหร่ก็เอาไปด้วยไม่ได้ถ้าสมมุติว่าทุกคนตายหมด